ธรร ม, มบรรยายเรื่องสันติสุขจะมีสัมมคีต้องมาโดยท่านวววิระเมธีณนะวัดป่าแดงอำเภอแม่ลาวจังหวัดเชียงรายเมื่อวันที่22พฤศจิกายนพุทธศักราช2558ขอเชิญท่านสาธุชนโปรดตั้งใจฟังด้วยความเคารพณนะบัดนี้ เนนี้ธรรมภาพขอประกาศอนุโมทนาแทนญาติโยมที่น้องชาวบ้านแปรแดงทุกคนที่พุทธบริษัทญาติโยมทั้งหลายที่มากันจากทิศดั้งสี่ในพร้อมบวกพร้อมใจกันนํากระถิ่นสมมามัคคีมาทอดถวายที่นี่ถ้าเราท่านทั้งหลายสังเกตก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงจากปีที่หนึ่งปีที่สองมาถึงปีที่สม สามปีวัดแห่งนี้ก็เจริญขึ้นเจริญขึ้ น, เ จ, นเจริญขึ้นอย่างชัดเจนและปีนี้ก็ดีกว่าทุกๆปีที่มีสาราการประเรียนหลังนี้เพิ่มขึ้นมาหนึ่งหลังอยากจะบอกว่าทั้งหมดนี้คือน้ำพักน้ำแรงของท่านเจ้าภาพทั้งหลายที่ร่วมกันเก็บหอมรอมริบกลายเป็นกองกรถินสามัคคีจากปีที่หนึ่งเมื่อเรามาที่วัดแห่งนี้ก็จะเห็นว่า หลายอย่างต่างประการยังไม่พร้อมห้องน้ำห้องท่าอันนี้ก็มีห้องน้ำใหม่นะสาการบริเรนที่ใช้ทาบุญโดยเฉพาะก็ไม่มีก็ต้องเบรรวมกับอุโบสถซึ่งจุคนได้เต็มที่เนี่ยนั่ง20สคนนี้ก็ถือว่านั่นเอียดนะทำให้เจ้าภาพกระถินมาปีแรกๆครึ่งหนึ่งต้องอยู่ข้างนอกปีนี้เจ้าภาพกระถินก็ดีพุทธบริษัทญาติโยมที่นี่ก็ดีคณะสงฆ์ก็ดี จึงได้มีชันธามัติสร้างสาาการปรเรียนหลังนี้ขึ้นมาปรากฏ ว, ว่าตอนนี้เรานั่งกันเต็มที่ยังเหลือพื้นที่ให้ฟ้อนได้อีกเห็นไหมเนี่ยเห็นหก็แสดงว่าเป็นความก้าวหน้าอย่างยิ่งการที่เราจะสร้างสรรพัฒนาวัดแห่งใดแห่งหนึ่งให้มีความเจริญทั้งทางวัตถุทั้งทางจิตวิญญาณได้นั้นเราคิดคนเดียวเราทาคนเดียวไม่สาเร็จต้องช่วยกันคิดช่วยกันทาจึงสาเร็จ ดังนั้นงานกรถิน่นท่านจึงมีชื่อเรียกว่ากรถินสามคัคคีเพราะถ้าเราไม่สามคัคคีงานนี้ไม่สําเร็จใครต้องสามัคคีกันบ้างละ่ะเบื้องต้นก็ฝ่ายบรรพชิตพระสงฆ์ต้องสมัครสมานสามัคคีกันพระสงฆ์ที่จําปรรษาในอาวาสนั้นๆหรือในตําบล น, นั้นๆในอําเภอนั้นๆในจังหวัดนั้นๆ ในภูมิภาคนั้นๆต้องสมัครสมานสามัคคีกันถ้าพระสงฆ์ไม่สามคัคคีรับกรถินไม่ได้ทําไมเพราะว่าในการทอดกรถินนั้นพระวินัยไม่ได้ระบุจำเพาะเจาะจงว่าต้องถวายแก่พระรูปใดรูปหนึ่งเช่นต้องถวายแก่หลวงพ่อเจ้าอาวาสเท่านั้นพระทุกรูปในอารามนั้นมีสิทธิ์ที่จะรับกรถินได้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นถ้าพระ ไม่สามัคคีกันตลอดพรรษาจะมีปัญหาตอนรับกรถินเพราะตอนรับกรถินนั้นต้องมีการขอยติและมีการโหวตนะเมื่อกี้พวกเราสังเกตไหมให้โยมสังเกตดูเจ้าอาวาสนะั้นเป็นนั่งองค์ที่สี่น้นะตามหลักเจ้าอาวาสต้องนั่งองค์ที่หนึ่งเนะเหมือนเป็นของตายเออแต่กรถินไม่ใช่อย่างนั้นนะไม่แน่นะนั่งที่ไหนก็ได้เนะี่นะแล้วรูปที่หนึ่งท่านจะตั้งพัดขึ้นมา นะท่านจะเสนอยติว่าวันนี้มีท่านเจ้าภาพคุณยมทอปัดและคณะนำผ้ากะถินจีวรมาทอดถวายองค์ที่หนึ่งก็จะเสนอยติอย่างนี้คำว่ายติเนี่ยเราได้ยินกันในสภานะพวกเรารู้ไหมแท้ที่จริงเป็นคำพระตอนที่เราแปลกฎหมายจากต่างประเทศเพื่อเอามาปรับใช้ในรัฐสภาของไทยนี่ คนที่มาร่างกฎบัตรกฎหมายทั้งหลายในสมัยโน้นเป็นมหาป ร, ริญญา 7, 8, ทั้งนั้น่เป็นมหาปริยญาเจ็ปริยญาแปดปริยญาเกทั้งนั้นแม้กระทั่งทุกวันนี้คนที่เขียนคําปรารถในรัฐธรรมนูญนะทุกฉบับต้องใช้มหาป ร, ริยญาอย่างฉบับปัจจุบันเนี้ยคนที่เขียนคำปรารถในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันนี้คือศาสตราจารย์พิเศษจำนองทองประเสริฐราชบัณฑิตอดีตป ร, ริญญาธรรม9ประโยควัดสเกตเห็นไหม ก็ต้องเป็นคนเขียนเพราะฉะนั้นคําต่างๆที่เราใช้กันในรัฐสภาไทยหลายคําเป็นคําพระเช่นเสนอยติแล้วก็ต้องมีแประยะตินะเห็นไหมพวกเราก็ไม่รู้คิดว่าทําไห ม, ไมพระอาจารย์เอาคําในนักการเมืองมาใช้จริงๆต้องบอกว่านักการเมืองเลาคําพระไปใช้รูปที่หนึ่งก็เสนอยติแจ้งเจ้าภาพแจ้งคณะสงฆ์มาวันนี้มีท่านเจ้าภาพชื่อนี้นำพระกฐินจีวร มาทอดถวายที่วัดนี้กระเจงแค่นี้ก่อนแล้วนั้นก็จะวางพัดลงรูปที่สองก็จะตั้งพัดแประยะติบอกว่าคณะสงฆ์ทั้งหลายวันนี้มีท่านเจ้าภาพชื่อนี้นําผ้ากรถินจีวรมาทอดถวายคณะสงฆ์ทั้งหลายจะพิจารณาเห็นสมควรถวายแก่ท่านรูปใดดีเห็นไหมอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการแประยะติก่อนอีกรูปหนึ่งอาจจะตั้งพัดเสนอว่า ข้าพเจ้าพิจารณาแล้วเห็นสมควรถวายแก่พระภิสูรรูปนี้ซึ่งมีศีลมีสมาธิมีปัญญามีศีลาจารวัฏงดงามเป็นพระหูสูตรผู้ทรงศีลทรงธรรมเป็นผู้ควรแก่การรับกตินในปีนี้คณะสงฆ์ทั้งหลายจะว่าอย่างไรถ้าเห็นด้วยก็ให้สัตย์สัญญาสาธุกการขึ้นให้พร้อมกันถ้าไม่เห็นด้วยก็ให้ทักทวงขึ้นในท่ามกลางระหว่างสงข์ขั้นตอนนี้สําคัญมากถ้าเกิดมีพระรูปใดรูปหนึ่งทักทวงขึ้นมาว่า ผมว่าไม่ได้นะไม่ได้นะเจ้าว่าน่าจะบารมีไม่ถึงน ะ, ะถ้าทักขึ้นมาอย่างเงี้ยกระถินก็ไม่เป็นอันสำเร็จนะแต่ประสบการณ์ของอัตมาภาพนะบวชมายี่สปียังไม่เห็นมีวัดไหนมีการทักท้วงก็แสดงว่าท่านสามะคีกันดีถ้าไม่สามะคีก็แสดงว่ามีรบบียี่สิบทำงานได้ดีมา ก, ามากเห็นไหมเพราะฉะนั้นเราจึงเรียกชื่อกถินว่ากถินสามะคี คณะสงฆ์ต้องสามัคคีกันถ้าไม่สามัคคีแล้วนี่แหละตอนที่จะโหวดนี่แหละตอนที่จะขอประชามติสังขามตินี้มีปัญหาทันที<อ>เห็นไหมฉะนั้นนี่คือคือกุศโลบายที่สุดยอดเปี่ยมไปด้วยพระปรีชาญาณขององค์พระศาสดาสา ม, มาสัมพุทธเจ้าองค์สง์ต้องการให้คณะสงฆ์สามัคคีกันพอคณะสงฆ์สามัคคีกันก็เกิดความสุขความเจริญขึ้นในวัดวัดต่างๆที่แยกเป็นก๊กเป็นเหล่านะวัดนั้นไม่เจริญนะ ในหนึ่งวัดแยกเป็นสามก๊กอย่างนี้ยรับรองก๊กต้นโ h ก็ไปทางก๊กโบดก็ไปทางก๊กศาลาการประเรียนก็ไปทางหนึ่งถ้าคณะสงฆ์แตกเชื่อไหมชาวบ้านแตกไหมชาวบ้านก็แตกเป็นก๊กเป็นเหล่าเหมือนกันแล้วพอแตกสามัคคีอย่างเนี้ยใครไม่ต้องมาทําอะไรละอยู่เฉยๆเดี๋ยวก็พังเองนะเหมือนปราดท่านว่าบ้านเมืองที่แตกสามคัคคีใครไม่ยกมาตีมันก็แตก บ้านเมืองที่สมานสามัคคีต่อให้ค่าเสกยกมาตีก็ไม่มีวันแตกฉะนั้นในแง่ของสงฆ์ก็ถือว่าท่านสอบผ่านทุกรูปทุกองก็สามัคคีกันในส่วนของคาริหฐานญาติโยมถ้าเราไม่สามัคคีกันไปชวนคนโน้นกับใหม่ว่างชวนคนนี้กับใหม่ว่างเพราะว่าไม่ชอบหน้าจะภาพก็ไม่สามัคคีกันแต่งานนี้ปรากฏว่าโอ้โหกฐินในวัดเล็กๆแห่งหนึ่งนะ อยู่นอกชายขอบของอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายทำไมมีแต่คนดังมากองอยู่ที่นี่ทำไปได้ยังไงก็เพราะว่าพวกเราสามเมื่อี้องไงเห็นไหท่านเจ้าภาพเป็นคนมีน้ำจิตน้ำใจกว้างขวางใจบุญสุนทานก็ไปชวนคนโน้นมาไปชวนคนนี้มากระเห็นวัดเล็กๆนีเเ่เอาซูปเปอร์สตาร์มาทั้งสี่หคนเป็นไปได้ยังไงเอานักการเมืองผู้ใหญ่มาทาไปได้ยังไงเห็นแล้อยังเอาสื่อมวลชนใหญ่มาทาไปได้ยังไง เนี่ยเอาขอ้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของจังหวัดมาถ้าขราชกาญาติโยมทั้งหลายไม่สามคัคคีหรือสายธานน้ำใจจเหลังไหลามาจากทุกทิศ ท, ทุกทางอย่างนี้เห็นไหมพอข้างในคือพระสามคัคคีข้างนอกคือญาติโยมสามคัคคีสิ่งดีๆก็บังเกิดเช่นนี่ไงสาราการประเรียนหลังใหม่ก็สำเร็จเสร็จสมบูรณ์อย่างสวยงามฉะนั้นบ้านกับวัดต้อง เกื้อกูลซึ่งกันและกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันดูแลซึ่งกันและกันอุปถัมภ์ซึ่งกันและกันเอาใจใส่ซึ่งกันและกันพรรมด์องค์ตรัสว่าบ้านและวัดนั้นพึ่งพาอาศัยกันอัญญยนิสิตาแปลว่าต่างฝ่ายต่างก็พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันถ้าทั้งบ้านทั้งวัดพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันเกื้อกูลซึ่งกันและกันอุปถัมภ์ซึ่งกันและกัน วัดไหนก็วัดนั้นมีความสุขมีความเจริญแต่ถ้าขัดกันเมื่อไหร่หายนะตามมาทันทีเหมือนที่กวีท่านว่าวัดจะดีมีหลักฐานเพราะบ้านช่วยบ้านจะสวยเพราะมีวัดดัดนิสัยวัดช่วยบ้านบ้านช่วยวัดผลัดกันไปถ้าขัดกันก็บรรลัยทั้งสองทางพวกเราสอบผ่านในเรื่องของความสามัคคี แล้วต่อไปเราจะขยายผลจากกรถินให้กลายเป็นความสามัคคีของสังคมไทยเราต้องทํำยังไงระพุโดอก็ตรัสหลักธรรมสําหรับสร้างสามัคคีเอาไว้หประการด้วยกันพระองค์บอกว่าถ้าเราอยากจะช่วยกันสร้างสารรค์ให้สังคมใดก็ตามมีความสมานสามาคัคคีต้องนําหลักธรรมหประการนี้มาประพฤติปฏิบัติ หลักธรรมโหประการนี้เรียกว่าสาเรานิยธรรมหรือสามะคีธรรมหเมื่อจะคิดต่อกันก็ขอให้คิดด้วยเมตตาสองเมื่อจะพูดต่อกันก็ขอให้พูดด้วยเมตตาสเมื่อจะทําต่อกันก็ขอให้ทําด้วยเมตตา 4. สาธารณโภคิตาได้ประโยชน์สอดีผลใดมาที่เป็นของส่วนรวมต้องรู้จักแบ่งสรรปันส่วนอย่างเสมอหน้าและอย่างยุติธรรม อะไรที่เป็นทรัพย์สินสมบัติของกลางของส่วนรวมอย่ายึดอย่าเก็บอย่าห่วงไว้คนเดียวต้องรู้จักแบ่งสรรปันส่วนให้เกิดความยุติธรรมเมื่อทุกคนได้รับการจัดสรรปันส่วนทรัพยากรที่ยุติธรรมสมเหตุสมผลคนก็จะไม่ทะเลาะ ก, กันเพราะผลประโยชน์ 5. ทิฏฐิสามัญญตามีความคิดเห็นลงรอยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเช่นเราจะทาอะไรก็ตามเราต้องคุยให้จบคุยให้จบในที่ประชุม จนได้ฉันทามติเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันถ้าเราไม่คุยกันให้จบต่างคนต่างคิดต่างคนต่างพูดต่างคนต่างทำสุดท้ายก็แตกสามาคัคคีความแต่สามัคคีมันจะเริ่มตรงที่ทิฏฐิไม่ลงรอยกันฉะนั้นบ้านใดเมืองใดก็ตามคนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นลงรอยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเป็นไปในทิศ ท, ทางเดียวกันบ้านนั้นเมืองนั้นก็มีความสุขมีความเจริญเช่นอเมริกา เขเป็นประเทศที่ใหญ่มากมีประชาชนหลายร้อยล้านคนทําไมเขาจึงอยู่กันได้อย่างสงบสุขผู้คนร้อยพ่อพันแม่จนอเมริกามีชื่อเรียกเป็นชายาว่าดินแดนแห่งเสรีภาพเขาอยู่กันได้ยังไงก็เพราะว่าเขามีทิฏฐิสามัญญตาคนทั้งประเทศมีฉันทามติว่าประเทศนี้จะอยู่ภายใต้ระบอบประชาธิปไตยเป็นเสรีประชาธิปไตยเขาจะเอาระบอบนี้เขาจะเอาระบอบเดียว ทั้งประเทศตกลงร่วมกันอย่างนี้ว่าเราคือประเทศเสรีประชาธิปไตยพอคนทั้งประเทศเห็นดีเห็นงามไปตามๆกันจะอยู่กันห้าสิบรัฐก็ไม่ทะเลาะกันเห็นไหอยังฉะนั้นในสังคมหนึ่งๆในวัดวาอารามหนึ่งๆเนี่ยถ้าคุยกันพูดจาภาษาเดียวกันสแสวงหาฉันทามติให้เป็นหนึ่งเดียวกันแล้วรับรองจะอยู่กี่คนกี่คนก็รักก็สามัคคีกันและหก ศีละสามัญยตาเขารบกฎกติกามารยาทอันเดียวกันในสังคมหนึ่งหนึ่งถ้ายอมรับกติกาที่เป็นมาตรฐานสากลร่วมกันยังได้ย่างหนึ่งและประพฤติปฏิบัติให้เสมอกันอย่างที่กล่าวกันว่าทุกคนเสมอภาคกันภายใต้กฎหมายฉบับเดียวกันปฏิบัติให้เห็นผลเป็นจริงเป็นจังอย่างนั้นจริงๆสังคมนั้นก็จะมีความสามัคคีทาไมพระสงค์ ไม่ว่าจะในสมัยพุทธกาลหรือในสมัยปัจจุบันจึงสามัคคีกันเพราะพระสงค์นั้นมีทิฏฐิสามัญญตาคือมีฉันทามาติร่วมกันว่าที่เรามาบวชนี้นะเราเป็นศิษยานุศิตของพระพุทธเจ้าเรามุ่งหมายจะแก้ปัญหาชีวิตของตัวเองเรามุ่งหมายที่จะอุทิศตนปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาเราเอาแค่นี้นอกนั้นเราไม่เอาอันนี้คือฉันทามาติของพระสงค์ในทางปฏิบัติพระสองค์อยู่ภายใต้กติกาเดียวกันคือศีลสองิบเจ็ข้อไม่มากไปกว่านี้ไม่น้อยไปกว่านี้ ฉะนั้นอยู่กันกี่แสนรูปนะพระสงฆ์ทั้งสังฆมณฑลก็อยู่กันได้อย่างสงบร่มเย็นและเป็นสุขถ้าเรานำเอาหลักการทั้ง6นี้มาประพฤติปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นวัดไม่ว่าจะเป็นบ้านไม่ว่าจะเป็นบริษัทไม่ว่าจะเป็นองค์กรไม่ว่าจะเป็นประเทศไม่ว่าจะเป็นทวีปหรือไม่ว่าจะเป็นโลกนี้ก็จะเป็นพื้นที่แห่งความสุขเกิดสิ่งที่เรียกว่า happy place เกิดขึ้นทุกผลทุกแห่ง เดี๋ยวนี้เรามีคำใหม่ว่าต้องช่วยกันทําสถานที่ทำงานให้เป็น happy workplace ใช่ไหมคือเป็นที่ทำงานที่คนไปทำงานแล้วมีความสุขแต่มันจะมีความสุขได้อย่างไรความสุขไม่ได้เกิดขึ้นจากการที่มีอาคารหลังใหม่มีหอประชุมหลังใหม่มีออฟฟิศหลังใหม่มีบ้านหลังใหม่ไม่ใช่หรอกหัวใจของความสามัคคีไม่ใช่อาคารสถานที่หัวใจของความสุขไม่ใช่วัตถุ แต่หัวใจของขอาคารสถานที่หัวใจของความสุขก็คือใจของคนถ้าเมื่อไหร่ใจคนนะั้นถึงพร้อมด้วยทำทั้ง6ประการที่กล่าวมาแล้วก็ทุกคนทุกแห่งจะกลายเป็นสถานที่แห่งความสุขจะเป็นที่ทางานแห่งความสุขจะเป็นบ้านแห่งความสุขจะเป็นบริษัทแห่งความสุขจะเป็นองค์กรแห่งความสุขและจะเป็นประเทศแห่งความสุขฉะนั้นเราอยากให้บ้านเมืองมีความเจริญมีความสุขร่มเย็นเป็นสุขใคร ไปอยู่ใต้ร่มธงของวัดไหนบ้านไหนองค์กรไหนบริษัทไหนประเทศไหนแล้วอยากให้สถานที่เหล่านั้นองค์กรเหล่านั้นมีความสุขต้องช่วยกันนำเอาสารานิยธรรม6ประการนี้ไปประพฤติปฏิบัติซึ่งย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าหนึ่งเมื่อจะคิดก็จงคิดต่อกันด้วยเมตตาสองเมื่อจะพูดก็จงพูดต่อกันด้วยเมตตาสเมื่อจะทาก็จงทาต่อกันด้วยเมตตา สได้ทรัพยากรสิ่งใดที่เป็นของส่วนรวมมาไม่หวงไม่แหนไม่เก็บไว้บริโภคคนเดียวแต่รู้จักแบ่งสรรเป็นส่วนให้เกิดความยุติธรรมโดยเสมอหน้าและหมีความคิดเห็นลงรอยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและสุดท้ายประการที่ 6. เคารพกฎกติกามารยาทของสังคมอันเดียวกันสังคมไหน มีสามัคคีทำหกประการนี้สังคมนั้นมีหลักประการแห่งความสันติสุขอัตถมภาพมีเรื่องเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งจะเล่าให้ฟังว่ากันว่าในอดีตการนานไกลในป่าดงแห่งหนึ่งมีหมีใหญ่ตัวหนึ่งอาศัยอยู่หมีใหญ่ตัวนี้อยู่ในป่านั้นมาอย่างแสนสุขจนมัน เพลิคิดว่ามันอะ่ะคือเจ้าป่ามันอยากจะไปท่องเที่ยวตรงไหนอยากจะไปหากินตรงไหนอยากจะหลับตรงไหนจะนอนตรงไหนมันก็ทําได้ทั้งหมดมันจึงเดินท่องไปทั่วป่าใหญ่นั้นโดยไม่เกรงไม่กลัวใครทั้งสิน้นเพราะหนึ่งมันไปหลับอยู่ใต้ต้นสคราะห์ซึ่งเป็นไม้ใหญ่ชนิดหนึ่งขณะที่เจ้าหมีอ้วนท้วนสมบูรณ์ตัวนี้กําลังหลับอุตุอยู่นั่นเองลมก็พัดกิ่งไม้แห้ง จริงไม้แห้งถูกลมรำเผยพัดก็แกวงไกวหักป๊ะลงมาหล่นใส่หัวหมีตัวนั้นเจ้าหมีตกใจลุกขึ้นยืนมองไปมองมาไม่เห็นใครเลยจึงทอดตามองขึ้นไปบนต้นไม้แล้วมันก็สรุกเอาเองว่าสงสัยรุกะเทวดาที่อาศัยอยู่บนต้นไม้เนี่ยอิจฉามันที่มันหลับอย่างมีความสุข จึงหักกิ่งไม้โยนเสีหัวมันนี่นะคนมันจะทะเลาะกันเพราะอย่างนี้นะคือมันมโ น, โนเอาเองไงเนี่ยที่มาของคําว่ามโนนะเจ้าหมีตัวนี้เลยมันก็มโนไปเองว่าสงสัยว่าทุกขเทวดาที่สิงอยู่ต้นไม้เนี่แหละอิจฉาตาร้อนหากกินไม้แห้งโยนเสียหัวมันเพราะเห็นมันกินอิ่มแล้วก็นอนอุ่นเจ้าหมีนึก มโนแล้วก็ได้บทสรุปอย่างนี้เบ็ดเสร็จแล้วก็ยืนเท้าเสเอมองต้นไม้ทางต้นตั้งแต่พื้นจรดยอดไม้เลยแล้วก็ลุกขึ้นมากล่าวคำมาคาดว่าเจ้ารุกขเทวดาอย่าคิดนะว่าข้าไม่รู้ท่านายอยู่ข้างในนะแน่จริงออกมาข้างนอกสิหลบอยู่ข้างในทำไม วันนี้ท่านเล่นงานข้าก่อนแต่วันข้างหน้าข้าจะมาเอาคืนพูดเสร็จมันก็เดินตุ้มตะตุ้มตุยย้ายทำเลจากตรงนั้นไปหาที่นอนใหม่ขณะนี้เจ้าหมีเดินอุ้ยอ้ายตุ้มตะตุ้มตุยย้ายจากไม้ต้นนั้นกําลังจะโผลออ่พ้นออกจากป่าป่าใหญ่แห่งนั้นขณะนี้มันกำลังเดินตุ้มตะตุ้มตุยไปใกล้จะพ้นป่าใหญ่มันไปเจอเข้ากับช่างตัดไม้กลุ่มหนึ่ง ย0สบกว่าคนพร้อมอุปกรณ์ตัดไม้ครบมือเจ้าหมีมันก็ถามพวกช่างไม้ว่าท่านจะไปไหนพวกช่างไม้ก็บอกว่าเรากำลังมาหาไม้ใหญ่สักต้นจะตัดต้นไม้สักต้นหนึ่งแต่ต้องเป็นไม้เนื้อแข็งต้องต้นใหญ่ๆเพราะว่าจะเอาไปทำดุมล้อหรือวงล้อจะเอาไป ตกแต่งขัดเกลีเป็นวงล้อสักสงวงพอรู้อย่างนี้ปั๊บเจ้ามียิ้มเลยได้โอกาสแก้แค้นเรื่องไม้ในป่านี้ใครจะรู้ดีเท่าข้าข้านี่อยู่ป่านี้มาส0สิปีแล้วถ้ารู้จักไม้ต้นหนึ่งนะันเป็นไม้สักครออายุสักร้อยปีได้ถ้าว่าไม้ต้นนั้นนะ่ะเป็นไม้เหนือแข็งและใหญ่พอที่จะทำวงล้อได้ ท่านอยากได้เดินตามข้ามาช่างไม้ก็ดีใจยกขบวนตามหมีตัวนั้นตุ้มตะตุ้มตุ้ยเข้าป่าไปอีกรอบนึงพอมาถึงต้นไม้สโครมีก็ชี้ไปนี่ละท่านช่างไม้ไม้ต้นนี้ดีที่สุดเลยเป็นไม้เนื้อแข็งช่างไม้ก็เตรียมอุปกรณ์พร้อมสับกำลังยกขวานขึ้นจัดจามต้นไม้ รุกขเทวดาอยู่ข้างในเห็นเหตุการณ์โดยตลอดรุกขเทวดาก็คิดขึ้นมาว่าเจ้าหมีตัวนี้เนี่ยมันช่างคิดช่างมโนโจังเลยเราไม่ได้รู้เห็นเป็นใจในการแกล้งเขาสักนิดหนึ่งกิ่งไม้มันหักก็เพราะว่าลมตามธรรมชาติมันพัดมาแต่นี่เจ้าหมีมันคิดเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตว่าเรานะ่ะแกล้งมันเช่อในเมื่อเจ้าหมีมันเล่นงานเราก่อนฉะนั้นเราก็ต้องเล่นงานมันคืน นะหมีก็บอกว่าเราไม่ได้อยากทำแต่ว่าเทวดารุ ก, กะเทวดาก็บอกว่าเราไม่ได้อยากทำอะไรให้ใครเดือดร้อนแต่ในเมื่อเจ้าหมีนี่มันมาทำเราก่อนเราก็อยากจะให้บทเรียนกับมันนะรุ ก, กะเทวดาคิดอย่างนี้แล้วจึงเนรมิตตัวเองโยมเป็นพรานป่า พร้อมอุปกรณ์หาของป่าเสร็จสับเดินออกมาจากหลังต้นไม้สะเครอมาทักทายพวกช่างไม้ช่างไม้ทัง้งหลายท่านกําลังจะทําอะไรช่างไม้ก็ตอบว่ากําลังจะตัดต้นตะครอนี่เอาไปทําวงล้อนายพรานก็บอกว่าอ๋อท่านกําลังจะตัดไม้สะครอเนี่นะไปทําวงล้อเหรอวงล้อของท่านนี่ถ้าไม่มีหนังสัตว์หุม้มมันจะทนไหม ช่างไม้ก็คิดว่าแล้วใช้หนังอะไรมาหุ้มมันล่ะในพรานป่าก็บอกข้าว่านะถ้าท่านตัดไม้สครอไปทําวงล้อนะต้องมีหนังหมีแก่าแก่หุ้มะนะนะจากนั้นมันจะอยู่เป็นร้อยปีเลยวงล้อของท่านนะแล้วช่างไม้ก็ถามว่าแล้วจะไปเอาหนังหมีแก่าแก่ที่ไหนนะในพรานป่าก็ชี้ไปที่หมีตัวนั้นก็ทุนนั้นไงอายุเยอะมากแล้วเป็นหมีแก่ที่สุดในป่านี้นะ ช่างไม้ก็เลยแยกเป็นสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งตัดไม้สกราอกลุ่มหนึ่งจับหมีมัดและชํำแหละเลยเอาหนังหมีไปหุม้มวงล้ออีกทีหนึ่งเรื่องนี้สอนอะไรสอนว่าให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวหมีกับเทวดาแตกสามัคคีกันเพราะแตกสามัคคีกันสุดท้ายก็ อ, อยู่กันมาแสนพรรสุขและเป็นยังไง พอแตกสามาัคคีความทุกข์ก็เคลื่อนตัวเข้ามาแทนที่ทันควันนี่ฮท่านทั้งหลายในอารามแห่งหนึ่งในบ้านหลังหนึ่งในบริษัทแห่งหนึ่งในองค์กรแห่งหนึ่งในประเทศแห่งหนึ่งถ้าสมาชิกขององค์กร น, นั้นแตกสามาัคคีแล้วแล้วก็รับรองกาลกินีจะบังเกิดฉะนั้นท่านทั้งหลายจําเรื่องหมีกับไม้สกรอให้ดีนะเรื่องนี้สําคัญมากบางครั้ง เราผิดใจกันเราทะเลาะกันเราหมาหงเมินกันแล้วสุดท้ายแตกสามัคคีกันไม่ใช่เพราะเรื่องใหญ่หรอกเป็นเรื่องเล็กๆที่ต่างคนต่างก็มโนไปเองแล้วไม่ยอมพูดกันมีปัญหาไม่ยอมมาเจรจากันมีปัญหาไม่ยอมหันหน้าเข้าหากันมีปัญหาก็ไปบ่นไว้ใน Facebook นั่นคนอยู่ข้างหน้าเราไม่คุยไม่ถาม คิดเองเออเองมนโนเองพูดเองสุดท้ายเรื่องขี้หมูราขี้มาแห้งกลายเป็นเรื่องใหญ่ฉะนั้นด้านทั้งหลายถ้าต้านมีปัญหาในชีวิตกับใครก็ตามอย่าเลือกช่องทางมนโนนะหันหนาเข้าหากันพูดจาปราศัยกันปรับทุกข์กันหารือกันพวกเราเคยคิดไหมว่าทำไมธรรมชาติให้งาแก่ช้าง ให้เขี้ยวแก่เสือให้พิษแก่งูแล้วคนน่ะทำไมไม่มีอาวุธอาวุธคนอยู่ตรงไหนธรรมชาติไม่ให้มาเลยช้างนี่มีงางงเลยเสือนี่มีเขี้ยวคมกริบขาววับเลยงูก็มีพิษอันตรายมากฉันด็มแมงป่องตัวเล็กนิดเดียวก็ยังมีพิษที่ร้ายแรง เอ๊แล้วคนธรรมชาติให้อะไรอาวุธของคนอยู่ไหนอาวุธของคนธรรมชาติไม่ได้มองข้ามอาวุธของคนคือปัญญาธรรมชาติโลกจักรวาลต้องการให้มนุษย์ใช้ปัญญาวุธไม่ต้องการให้มนุษย์ใช้ศาสตราวุธไม่ต้องการให้มนุษย์ใช้ความรุนแรง ไม่ต้องการให้มนุษย์ใช้ความโกรธความเกลียดชังเข้ามาแก้ปัญหาเวลาเกิดปัญหาขึ้นมาในชีวิตสัตว์เหล่านั้นธรรมชาติออกแบบมาให้ใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหาแต่มนุษย์นั้นธรรมชาติสร้างสติปัญญาที่ใส่หินจะแหลมคมมาให้เพื่อเป็นการบอกอยู่ในทีว่ามนุษย์ทั้งหลายเวลามีปัญหาขึ้นมาในชีวิตให้ใช้เหตุผลอย่าไปใช้ความรุนแรง อย่าไปใช้สตราวุธแต่ให้ใช้ปัญญาวุฒิฉะนั้นมนุษย์ที่มีความเจริญทางปัญญาและจิตวิญญาณเวลาเกิดปัญหาขึ้นมาในชีวิตเกิดปัญหาขึ้นมาในสังคมจะไม่ใช้ความรุนแรงเข้าเข็เขนฆ่าราวีกันแต่จะใช้ปัญญาเข้ามาแก้ปัญหาพูดอีกอย่างหนึ่งว่าอยู่กันด้วยเหตุผลนั่นแหละคือคนที่มีอารยธรรม ย้อนมองออกไปในระดับโลกทุกวันนี้โลกของเราไม่ได้พัฒนาไปไกลเลยมีปัญหาเรายังใช้ขีปนาวุธใช้อาวุธยุทโธ ป, ปกรณ์ส่งไปเก่นฆ่าราวีเพื่อนร่วมโลกของเราแล้วก็ถ่ายทอดสดให้ดูด้วยบอกว่าระเบิดลูกหนึ่งทำร้ายคนได้เท่าไหร่เมื่อวานเห็นการถ่ายทอดสดประเทศหนึ่งส่งขีปนาวุธ ชั้นนาไปทันลมคนในอีกประเทศหนึ่งระเบิดลูกเดียวสังหารหลานชีวิตเพื่อนมนุษย์ได้ถึงหกร้อยคนอันนี้ไม่ใช่ข่าวที่น่ายินดีอันนี้เป็นโศกนักตะกรรมของมนุษยชาติอันนี้คือความต่ําต้อยทางจิตวิญญาณของมนุษย์ต่ําต้อยยังไงต่ําต้อยตรงที่มนุษย์ไม่รู้จักอยู่กันด้วยเหตุผลเรายังคงตอบโต้วความรุนแรงด้วยความรุนแรง อันนี้เป็นสิ่งที่สะท้อนว่าลึกๆแล้วจิตเวิญญาณของมนุษย์ไม่ได้ไปไหนไกลเลยทำไมโลกทั้งโลกถึงแตกสามาคีอย่างนี้ก็เพราะเราขาดสารานิยธรรมทั้งหกประการนั่นเองพระพุทธองค์ตรัสเอาไว้ว่าเวลาที่เรามีปัญหาขึ้นมาในชีวิตเราต้องใช้ปัญญาแนวทางที่พระองค์ให้ไว้นั้นประเสริฐมากพระองค์บอกว่าจงเอาชนะความชั่ว ด, ด้วยความดี จงเอาชนะความโกรธ ด, ด้วยความไม่โกรธจงเอาชนะความตระหนี่ด้วยการให้และจงเอาชนะความเท็จ ด, ด้วยความสื่ถ้าเราฟังพระพุทธเจ้าโลกนี้ไม่มีสงครามถ้าเราฟังพระพุทธเจ้าคนทั้งโลกจะอยู่ร่วมกันอย่างสมัครสมานสามัคคีและมีแต่สันติภาพเห็นได้ยอ่างว่าสามัคคีธรรมนั้นจําเป็นอย่างยิ่งเริ่มตั้งแต่ในครอบครัวเล็กๆ แผ่ขยายออกไปจกนกระทั่งในสังคมในประเทศและในโลกสังคมใดองค์กรใดก็ตามถ้าขาดสามคัคคีสังคมนั้นองค์กรนั้นจะมีการะกิณีบังเกิดขึ้นสังคมใดองค์กรใดก็ตามถ้ามีสามคัคคีสังคมนั้นจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นนี่แหละคือความสำคัญของสามัคคีธรรมเพราะฉะนั้นวันนี้แต่มาภาพก็ขอประกาศอนุโมทนาสาธุการท่านเจ้าภาพทุกคน ที่พวกเราทุกท่านทุกคนสมท า, านอยู่ในสาราเิยธรรมหรือสามัคคีธรรมทั้งหประการอัตมาภาพเชื่อมั่นว่าด้วยอนุภาพของสามัคคีธรรมนี้จะทําให้เราทุกท่านทุกคนมีความสํำราญบานใจมีชีวิตที่สดชื่นเยือนเย็นใน ท, ทุกสถานในการทุกเมื่อพร้อมกันนั้นด้วยอนิสงส์กตินที่พวกเราได้มาถวายในวันนี้ก็ขอให้มารวมกันเป็นตะบะเดชะพระบักปัจจัยอํานวยโอยใจให้พวกเราทุกคน มีความสุขมีความเจริญมีความก้าวหน้าทั้งทางโลกทางธรรมโดยทั่วกันทุกตั้นทุกคนเธอหลับตา พอั่ักอยู่เคียงทางฉันนั่งให้สบายผ่อนคลายชีวันในปัจจุบันยัดยงตรงนี้ลมหายใจเข้าลมหายใจ On. Oh.